วิปติปติภาหายะสัพสัมปติสิทธิยาสัพทุขวินาสายะปังริฏังพรูธรมังคลังวิปติปติพาหายะสัพสัมปติสิทธิยาสัพพะยวินาสายะปังริตฐังพรูธรมังคลัง วิปติปฏิภาหายะสัพสัมปติสิทธิยาสพโกรควินาสายะปังริตังผู้มังคลัง